บทที่หนึ่งอัมพลพรากรผู้อำนวยการของบริษัทไทยไวไลฟ์ Life, นั่งสูบซิก้างเงียบๆอยู่คนเดียวภายในห้องรับแขกของอาคารบริเวณกักสัตว์เขาอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งอย่างยินดีและลุกขึ้นยืนโดยเร็วเมื่อบุรุษร่างสันทัดในชุดสีกากีขมุขขมมองไปด้วยฝุ่นแดงก้าวเข้ามาในห้อง กระพินมาเร็วทันใจดีเหลือเกินผมกําลังรอคุณอยู่ทีเดียวให้ประเสริฐไปตามหรือกว่าถ้าคุณยังไม่มาผมเห็นจะต้องทอไปหาคุณเองที่หนองน้ําแห้มฝั่งรบคํานี้ให้ได้เขากับพูดพ่วมเนยการของกิจการส่งสัตว์ออกนอกประเทศโดยอภิสิบพ่อกรวีกระวน์เข้ามาจับแขนเขาตึงเข้ามาที่เก้าอี้ชุดไวายร้องด้วยบอกแล้วกดไหลพูดติดต่อกันโดยเร็วว่านั่งลงนั่งลงพ่อคุณเอาเบียร์เอาบาลันดีหรือวิสกี้ดี จะเป็นทัยวันถอดหมวกออกเป่าลมระบายความร้อนลงไปในอกเสื้อพร้อมกับยิ้มเนื่อยเนื่อยไม่ต้องไม่ต้องหลับครับอย่าห่วงเลย ในชนใหญ่ของเขาที่ทํางานร่วมกันมานานไม่ฟังเสียงเดินบปที่ไซบอร์ดหยิบขวด V S O P ขีบแก้วออกมาสองใบและตะโกนสั่งเสร็จให้จัดน้ําเย็นกับน้ําแข็งมาให้ตุดใจเดียวทุกอย่างก็พร้อมวางอยู่บนโต๊ะทานใหญ่เพียงแต่ดื่มน้ําเย็นจนเกือบหมดแก้วแล้วมองหน้าพวมนดยการซึ่งนั่งอยู่ตรงหน้าเขาเสียงนามพ่นเนยืดจาต่อมาคนหัวเราะเจบคุณเอ้ยไม่ค่อยได้พบหน้าค่าตาเลยตามหาตัวก็ยากผักผาสิ คุณทําห้ผมถูก ด, ด่าจมหูอกักระบุงโกยไม่ไหวตลอดระยาะเวลาสองสามเดือนที่ผ่านมานี่ใครด่าคุณเรื่องอะไรกันครับนายอัพลจูปากจิกจักเสอะไรเสียอีกล่ะเขาพี่น้องล่าสุดตะกูลวาราลิศนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหญิงดาเรนน่ะเธอสับผมเสียไม่มีชิ้นดีเลยถามว่าผมไม่ติดต่อตามหาตัวคุณรู้สงข่าอะไรเธอทราบบ้างเลยจะผานเลิกคิวขึ้นนิดหน่อยสีหน้ากล้ามเกรียมไปด้วยไอแดดของเขาไม่สอบความรู้สึกใดๆทั้งสิ้น แต่เอื้อมมือไปหยิบแก้วบรันดีมาครึ่งไว้ในฝ่ามือทั้งสองปุรพลก็รู้ทราบดีอยู่แล้วว่าอาชีพของผมต้องอยู่ป่าอยู่ตลอดเวลานานๆถึงจะกลับเข้ามาที่หนองน้ําแห้งสักครั้งหนึ่งอีกฝายหนึ่งหัวเราะช้องใบหน้าคมดวงตาเฉียบนั้นอย่างรักใคร่สนิทสนมคุณผิดนัดกับท่านเหล่านั้นหลายครั้งหลายหนแล้วนะบอกว่าลงไปเยี่ยมพวกท่านที่กรุงเทพคุณก็ไม่ยอมลงไปตะพินบิดการอย่างเมื่อยผม เบียดค้านคุมพรรมันมันจําเป็นจริงๆครับผมต้องมีธุระออกป่าอยู่ด้วยและไอ้การที่ผมไม่ได้ลงมากรุงเทพก็ไม่ได้ทำให้อดีตกลุ่มนายจ้างของผมท่านต้องผิดหวังอะไรมากนักผมมันคนป่าคนดงห่างแสงสีเมืองหลวงมานานก็เลยชักขี้เกียจลงไปเห็นความจอแจในเมืองหลวงผมก็เมาเสร็จแล้วไม่อยากจะเป็นลงเชยตอนเข้ากรงว่าแต่คุณอําพลมีธุระอะไรสําคัญนักหรือครับถึงกับให้ผู้จัดการไปตามผมมาที่นี่ เจ้าขอสถานนี้นิ่งไปครู่หนึ่งหยิบซิก้าที่วางไว้บนที่เกียรุบรีขึ้นมาจุดสูบอีกครั้งเมื่อวานซืนนี้นะ่ะท่านผู้ใหญ่เรียกผมลงไปพบที่กรุงเทพท่านรัฐมนตรีการเกษตรและอธิบดีกรมป่าไม้นายอัมพลกล่าวช้าๆสีหน้าเป็นงานเป็นการขึ้นพันใหญ่จิบหลันดีและวะแคงหูอย่าชงนนิดๆมองหน้าในห้างของเขาตามไมกับพริบเหมือนจะเตือให้พูดต่อ ผมเคยพบกับท่านผู้ใหญ่เหล่านี้และปึกษาหารือกรรมานานแล้วเกี่ยวกับอะไรครับก็เกี่ยวกับบริเวณป่าใหญ่ที่ผมคุณและพวกเราทั้งหลายมาทํามาหาหกิจกันอยู่ที่นี่น่ะสิทําไมหรือครับรัฐบาลกําลังจะมีโครงการที่จะประกาศเขตป่าใหญ่ทั้งหมดเหล่านี้เป็นวนรรอุทยานแหลงสมวนและคุ้มครองตัดป่าตามคอบอรอือหือไม่เลวจอมพลางคลางในลําคอเบาๆพร้อมกับยิ้มหยัน ว่างๆคุณนำพลก็ลราเชิญท่านรัฐมนตรีหรือท่านอธิบดีมาประพาสป่าดงดิบแถบนี้ดูบ้างสิครับแล้วก็ช่วยจัดหาพลายคนอื่นนำทางตรวจฟายท่านด้วยสำหรับผมน่ขอตัวก่อนเพราะผมไม่แน่ใจว่าจะให้ความคุ้มครองท่านผู้ใหญ่เหล่านั้นได้หรือไม่จากสัตว์ป่าดุร้ายและความตายนานาชนิดในดงปึกดําบันแถบนี้ ก็ให้ท่านไปชี้เขตเอาเองว่าส่วนไหนบ้างจะทําเป็นวนาระอุทยานหรือป่าสงวนผมกลัวว่าจะพากันหายกัไปโดยไม่มีวิสายกลับออกมามากกว่าแล้วเท่านั้นแนนคนบวกมือผมเข้าใจความรู้สึกของคุณดีละพินป่าที่คุณท่องเที่ยวอยู่มันเป็นโรยินที่ยังไม่มีมนุษย์คนไหนบุกเบิกมา ก, ก่อนแต่มีแต่คุณเท่านั้นแหละที่เป็นคนบุกเบิกมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรอย่างยิ่ง แต่มันก็เป็นตรงมรณะของคนแปลกหน้าไม่เคยคุนกับมันมาก่อนผมเองก็ไม่ได้ไปเสนอแนะท่านผู้ใหญ่เหล่านั้นหรอกนะแต่ท่านพอจะรู้ข่าวอันเนื่องมาจากกิจการส่งสัตว์ป่าออกจาหน่ายตามประเทศของผมนี่แหละความจริงท่านผู้ใหญ่เหล่านั้นก็รู้อนสนิทที่ชอบรู้เกี่ยวดอเป็นญาติกับคุณอำพลทั้งนั้นไม่ใช่หรือครับมาฉะนั้นคุณอำพลจะดาเนินกิจการส่งสัตว์ป่าออกนอกได้อย่างนี้หรือมีคุณคนเดียวเท่านั้นที่ทําได้อยู่ในขณะนี้ พ่วงในการทช้ยี่ปลาจมูกเบาๆท่าทางคับอุดอักใจนิดหน่อยเรื่องนั้นนะ่ะเราก็รู้กันอยู่แล้วทีนี้มันเป็นดําเริของรัฐที่จะประกาศเขตป่านี้ทั้งหมดเป็นป่าสงวนห้ามไม่ให้มีการด่าสัตว์ห้ามไม่ให้ตัดต้นไม้และจัดตั้งสถานีคุ้มครองดูแลขึ้นพอดี น, นี้ครับพ้าเจานาที่ป่าไม้คนไหนจะมาให้ความคุ้มครองดูแลได้สําหรับป่าแถบนี้ไม่มีพนักงานป่าไม้คนไหนหลอกที่จะมาดูแลได้นอกจากคุณคุณเดียว และท า, างรัฐบาลก็มีมกําหนดไว้แล้วว่าจะให้คุณนั่นแหละเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลในฐานะนที่คุณไป็ผู้บุกบิกครั้งแรกและรู้จักหมดทุกข้วยนองทุกขุนเขาชนิดหลักตาเดินได้ทางมหัดไทยก็กําลังจะยกหมู่บ้านนอกสมโนครัวประชากรของคุณคือหมู่วัดบ้านหนองน้ําแห้งขึ้นเปน็นตําบลและเขาจะให้คุณไปกํานันที่นั่นด้วย ลพินพลยวันถ่ายมือกว้างออกไปพร้อมกับยกไหลขอโทษทีผมไม่รับตำแหน่งอันมีเกียดนี่หรอครับทำไมล่ะทำไม ล, ละลพินอําพลทำเสียงสูงจอผ่านโทรเัา์ถูอถืในลำคอผมนะไม่อยากจะสร้างศัตรูหรอกครับคุณอําพลก็รู้ดีอยู่แล้วว่าพวกเราแถวหนองน้ำแห้งและในป่าลึกเข้าไปนั้นรวมเป็นคนป่ากันอย่างแท้จริงไม่ใช่คนเมือง ชีวิตเขาแต่ละคนนะ่ะดำรงอยู่ได้ก็โดยการหากินโดยอสิสระจากทรัพยากรในป่า น, นั่นแหละคนเหล่านั้นไม่สามารถจะไปซื้อไม้แปลงรูปที่ไหนมาสร้างบ้านเรือนได้เขาก็ต้องไปตัดไม้ในป่าซึ่งมีอยู่อุดมสมบูรณ์นั่นแหละมาปลูกเพลิงพักพอคุ้มแดดคุ้มฝนของเขา และเขาก็ไม่ได้เลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่หรืออาหารอย่างที่ชาวเมืองหากินกันได้เขาก็ต้องอาศัยผักหญ้าและสัตว์ป่าเป็นอาหารล้มกวางหรือกระทิงได้สักตัวหนึ่งก็กินกันเป็นแหลมเดือนไม่มีใครคิดที่จะทําลายป่าเป็นน้ำเป็นสันนอกจากประทางชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งตามภาษาของเขาทหารที่ได้ประกาศเป็นเขตป่าส ง, งวนเมื่อไร่และถ้าผมกลายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลคอยหวงห้าไม่ให้ตัดไม้หรือล่าสัตว์มาเป็นอาหารเมื่อไหร่ ผมก็คงจะตายเร็วเขาเท่ า, ทานั้นเพราะฉะนั้นขอให้เขาจัดหาเจ้าหน้าที่มาทํางานนี้แทนผมดีกว่าสําหรับผมนะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับเท่าที่ผมเป็นการดับสัตว์มาขายต่อให้คุณอําพลยทุกวันนี้ก็เพราะคุณอําพลจ้างผมคุณอมพเองก็มีอภิสิทธิ์ที่จะมาทําการค้าชนิดนี้ได้เพียงคนเดียวในประเทศไทย แต่ถ้าหากกิจการนี้จะต้องล้มเลิกไปผมก็ยินดีเสมอผมไม่ใช่นักบางแกสัตว์อย่างพาสมัครเล่นหรือผ่านจากเมืองกรุงทั่วๆไปการดักจับสัตว์ของผมตั้งชื่อแล้วมาก็มีใบอนุ ญ, ญาตถูกต้องตามกฎหมายซึ่งคุณน่ะแหละเป็นผู้มอบมาให้กับผมถึงแม้ผมจะเลิกอาชีพนี้ไปผมก็ไปทําอย่างอื่นได้คุณนสีลําบากหน่อยเพราะนี่เป็นอาชีพหลักของคุณถ้าขอห้ามจับสัตว์ป่าในเขตนี้เมื่อไหรคุณก็ต้องเลิก้มงานทั้งหมด อัมพลขยับกายยังไม่สู้แตปล่อยตัวใจนะพูดเสียงต่ําคุณละพินกดทุกอย่างน่ะย่อมมีข้อยกเว้นทั้งนั้นผมยังได้รับสิทธิ์ในการดําเนินการค้าสัตว์ป่าได้เหมือนเดิมและคุณก็ต้องออเดอร์หาสัตว์ป่าตามออเดอร์ของผมเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจะต้องป้องกันและห้ามไม่ให้พวก่านพื้นเมืองร่าสัตว์หรือตัดต้นไม้ประพินไพร์วันของเราออกมาเบาๆยิ่งบรรลัยหนะักเข้าไปใหญ่เลยครับห้ามคนอื่นไม่ให้ทําแต่ฝ่าเราทําได้ฝ่ายเดียว โอ้ยรับรองไม่เพียงแต่ผลเท่านั้นที่จะถูกแอบเป่าดับภายศาวัน7วันสถานีกับสัตว์ของคุนอำพลที่นี่ก็าอาจจะถูกปล้นหรือแอบวางเพลิงเมื่อไหร่ก็ได้จากพวกพานป่าพื้นเมืองผมไม่เห็นด้วยจริ ง, รงๆเลยกับไอวิธีการจิกกันคนอื่นไม่ให้มาหาใส่ปากใส่ท้องแต่เราเองกินเสียอินนี้พีมันความจริงผมหนีไอวิธีการช่วชาติเร็วซามแบบนี้เข้าไปอยู่ในป่าแล้วนะ แต่เสร็จแล้วกับปรากฏว่าวิธีการชั่วชั่วแบบนี้ก็ยังแพร่ขยายเข้าไปเลนงานผมและพวกผมได้อีกหรืนไม่ผมว่าคุณอําพลน่ะจะคิดผิดไปแล้วผลที่สุดคุณจะอยู่ที่ตำบล น, นี้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่เห็นด้วยหรือที่จะให้เขตป่าเหล่านี้เป็นป่าสงวนไอการสงวนป่าไว้น่ะมันดีล่ะครับแต่เราควรจะต้องพิจารณาเสียก่อนว่าป่าเขตไหนบ้างและสภาพแวดล้อมโดยทั่วๆไปป่าหนองน้ําแห้เป็นป่า ทุกดงดิบที่ห่างไกลผู้คนมากและถ้าวัดตามเส้นพมแดกันจริงๆแล้วเดินแค่ไม่ถึง30กิโลก็เข้าเขียตพม่าแล้วคนป่าคนดอยในแถบนี้ก็มีไม่มากนักปีหนึ่งปีหนึ่งเขาตัดไม้กันไม่กี่ต้นล้มสัตว์ที่มีอยู่ชุกชุมปีละเพียงไม่กี่ตัวเพื่อนำมาเป็นอาหารป่ายังไม่อยู่ในสภาพที่จะถูกทำลาย และจะต้องเร่งออกกฎหมายคุ้มครองขึ้นมาผมอยากจะถามหน่อยว่าหน้าไหนจะเข้ามาคุ้มครองได้หน้าไหนสามารถจะเตนเข้าไปคนเดียวหรือไปกับพวกตัวไม่มีพรานนําทางและจะกลับออกมาได้และสมมติว่าประกาศเป็นเขตปลอดตัจริงๆก็ไอหน้าไหนอีกหลักที่จะสามารถคอสอดสองดูแลได้ทั่วถึงเวลาเลือกจะออกกฎหมายก็ไปลอกเรียนประเทศที่จเจริญแล้วออกมาแต่ถึงเวลาที่จะรักษากฎหมายขึ้นมาก็ไม่บิดเป็นยาจะรักษาได้อยาว่าแต่จะตั้งเป็นสถาน วัาบรรณาุทยานมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลแค่สองสามคนเลยต่อให้เอาทหารทักษหนุ่กองทัพมาดูแลก็คุ้มครองไม่ทั่วถึงหรอกสำหรับดงดิบเขตนี้กเพราะอย่างนี้นะสิเขาถึงต้องการจะแต่งตั้งคุณเป็นหัวหน้าบรรณาุทยาณควบคุมดูแลเพราะคุณชำนาญอยู่แล้วกระเพียนาำเสียงสูู่ในลำคอยอีกครั้งหนึ่งยกบาลดีขึ้นตื่น ก็ได้ครับแต่ต้องขออุปกรณ์ผมให้ครบมือด้วยพอมที่จะปฏิบัติงานให้ได้ผลให้ผมได้เหนละ่ะอะไรมั่งล่ะที่คุณต้องการ 1. ขอให้เรคเตอร์ให้ผมสักลำหนึ่งสำหรับบินตรวจป่า 2. ของบ่ประมาณและกำลังคนประมาณอย่าง3500คนเพื่อจะขอตั้งสถานีฤ ด, ดานตรวจประมาณ150จุด 3. ขอให้ทางราชการจะส่งอาหารประเภทเนื้อและผักให้กับชาวป่าชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ โดยที่ไม่ต้องให้เขาออกล่าสัตว์ก็ไม่มากมายอะไรหรอกครับอาทิตย์หนึ่งมีเนื้อสักสิบตัวหมูสักสามสตัวหรือไก่สัก2อ0สตัวก็เห็นจะพอสําหรับในระยะแรกเริ่มนี้ต่อไปเราก็จัดหาพันธุ์สัตว์เลี้ยงที่เป็นอาหารได้ไปให้ให้เขาเลี้ยงกันผู้อำนวยการบริษัทไทยไวไลฟนายหลังพินก็อี้โดยความแสนจริงผมก็ไม่คิดจะให้ป่าเขตนี้เป็นป่าสงวนเลยนะ้าละพินผมมีความรู้สึกเหมือนคุณเหมือนกันแต่ผู้ใหญ่ท่านจะเอาอย่างนั้น ผมก็ไม่รู้จะคัดค้านยังไงจริงๆนะอยากจะให้ท่านเหล่านั้นมาได้ยินคุณพูดเดี๋ยวนี้เหลือเกินมันจริงเหมือนอย่างที่คุณว่าทุประการผมถามคุณง่ายอย่างเดียวแหละคุณอำพลชาวเมืองนั้นนะ่ะมีหมูมีเนื้อมีไก่กินชาวป่าชาวดอยท่านผู้ใหญ่เหล่านั้นคิดว่าเขาควรจะกินอะไรครับยญาคากับนอนหรือว่าดินโปร่งนั้นเหรอถ้าห้าให้เขาล่าสัตว์ ผมมีสถิติอยู่ในมือว่าพวกชาวป่าชาวดอยเหล่านี้ล่าสัตว์ป่าเพื่เป็นอาหารวันละกี่ตัวและป่านี้มีสัตว์อะไรอยู่บ้างจํานวนสักเท่าไหร่คิดเทียบตามอัตราการล่าแล้วมันไม่ถึง 1% อร์ซของสัตว์ที่มีอยู่แต่กันตักจับสัตว์ส่งให้แก่สถานีของคนและนําออกนอกนิสิเทียบแล้วมันยังลดจํานวนสัตว์ป่าบางประเภทไปบ้างถึงสามสิเอร์ซ็นตไมเขาถึงไม่ห้ามคุณเรื่องการส่งสัตว์ป่าออกนอกบ้างคําตอบมันก็มีอยู่แล้ว อย่าให้ผมพูดเลยก็ยังดีนะที่คนมีอภิสิทธิ์อย่างคุณไม่มาเปิดกิจการตัดไม้หรือโรงด้วยขึ้นที่นี่ไม่อย่างนั้นไม้ในป่านี้จะวอดวายเหลเท่าไรก็ยังไม่ทราบนายอผลนิ่งอึง้งพอแข็งไปประเพณีเก่าเรียบเรียบต่อมาผมยอมรับว่าผมเป็นพรานดารงชีพอยู่ด้วยการล่าสตัตว์โดยตรงแต่นอกจากการจับสัตว์เป็นๆมาส่งให้แก่คุณตามคําสั่งแล้วผมไม่เคยทําร้ายสัตว์ไปอย่างไร้ประโยชน์ขนาดเสือผมก็ยังไม่เคยยิง ถ้าหาไม่ใช่เพราะมันมาอารวาเล่นไงคนป่าคนดอยเข้าการจะประกาศเป็นป่าสงวนและการตั้งสถานีวนทยทยานขึ้นจะต้องมีงิประมาณผมอยากทราบว่าทางการมีงินประมาณให้สักเท่าไหร่สําหรับป่าแถบนี้ไม่ใช่คิดว่าจะประกาศเป็นป่าสงวนก็เที่ยวได้หลับตาชี้ส่งเดชผมดอกบอกได้เลยว่าขอเชิ้ท่านเหล่านั้นเข้ามาประาพาสป่าแถบนี้ดูสักหน่อยปะไรไม่ต้องอะไรหรอกแค่เห็นรอยตีนช้าขนาดลงไปนั่งขัดสมาธิได้เท่านั้น ที่จะวิ่งขึ้นไปอยู่บนหัวขมองนี่ผมไม่ได้พูดเพื่อรักษาผล ป, ประโยชน์ของตนเองบอกแล้วยังไงว่าถึงผมไม่จับผัดขายผมก็ทำนาของผมได้แต่พวกชาวป่าชาวดอยนะ่ะเขาจะให้เขาอยู่เป็นยังไงรัฐบาลจะเคยคอยเดยวแลอุ้มชูเขาบ้างหรือเปล่าเคยแม้กระทั่งจะรับรองว่าเขาเป็นคนไทยอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยนี่ไหมพาะพวกเขาไม่มีสมโนโครวัวเป็นคนเถื่อน โชกดีเท่าไหร่บ้างแล้วที่ความกันดารและความสุขของป่า น, นี้ทำให้พวกคอมไม่สามารถจะแทรกซึมเข้ามาได้ผมรับรองได้ว่าแถบนี้ไม่มีผู้ก่อการร้ายเลยสักคนเดียวและไม่เรียงสา ก, กับอะไรทั้งสิ้นมีชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงกลางป่าดงไม่คิดมักใหญ่ใส่สูงหรือกระตือรือร้อนอะไรทั้งสิ้นพอใจกับอัตภาพที่ตนเองมีอยู่ พร้อมทั้งธรรมชาติที่แวดล้อมรอบตัวอยู่เขาถือว่าสิ่งเหล่านี้พระเจ้าหรือเทวดาประทานมาให้แกเขาพวกนี้ไม่เคยตัดไม้ขายไม่เคยร่าสัตว์ขายนอกจากอยู่และกินในหมู่คณะของตนเองอย่างเดียวเท่านั้นป่ายังคงเป็นป่าอยู่ยังไม่มีอะไรแปลกปลอมที่มีพิษภัยใดๆแทรกซึมเข้าไปทั้งต้นไม้ทั้งสัตว์ป่าและทั้งมนุษย์ที่อาศัยอยู่รวมเป็นธรรมชาติแท้จริงของโลกโดยบริสุทธิ์ เรือในป่า น, นี้วันๆอาจจับสัตว์กินเสียมากกว่าที่พวกชาวป่าชาวดอยจะล่ามาเป็นอาหารของตัวเองเสียอีกเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะแนะแนวทางอะไรให้แก่ผู้ใหญ่ของคุณก็โปรดไต่ตรองเสียให้รอบครอบก่อนคิดให้มากๆหน่อยผมไม่ขัดขวางถ้าหากรัฐจะเอาป่าบริเวณนี้เป็นป่าสงวนหรือวนอธรรมศิลปแต่จะให้ผมรับหน้าที่ดูแลผมขอตัวตำแหน่งกำนงกำนันอะไรนั้นผมก็ไม่เอาทั้งนั้น เลิกทำงานในรัฐมานานแล้วก็ไม่อยากที่จะเข้าไปคล้องแวะอีกและอีกอย่างหนึ่งลูกบ้านที่หนองน้ำแห้งของผมก็ยังไม่มีมากพอที่จะยกฐานะเป็นตำบลได้มันก็เป็นแค่หมู่บ้านคนป่าที่หลองสำรวจเท่านั้นเองมีเพิงหรือระต้ออยู่ไม่ถึง30สบหลังจะเป็นตำบลไปได้อย่างไงเจ้าของสถานีฟังคำพูดยืดยาแต่เป็นไปด้วยเหตุผลของเขาอย่างยอมจํานเลยที อัดควันสิก้าลึกเขารู้จักสุภาพปรุษลดไฟผู้นี้ดีเกือบจะเท่ากับรู้จักตนเองตลอดระยะเวลา 3-4 ปีที่มีงานเกี่ยวข้องผูกพันกันอยู่ตามปกติแล้วชาที่ชื่อราพินไัยวันผู้นี้เป็นคนไม่พูดอะไรมากนะักเขามักจะทำอย่างเดียวและทำอย่างได้ผลในกีจความสามารถสูงสุดเกี่ยวกับการเป็นมครคเทศเดินดงหรือมือปืนคุมกันสัตร้ายกางฝ่ารึ เมื่อใครจะเปแจ้งในการเป็นผู้นำทางผลสสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งดอมพรางทุนนี้ได้ประทำไว้ก็คือการเป็นมกรฎเทศนำคณะนายจ้างติบตามคุณหายสาบศูนย์กลับคืนมาได้โดยปลอดภัยทั้งๆ ท, ที่โลกภายนอกเข้าใจว่าผู้นั้นเสียชีวิตไปแล้วถึง 99.99% 99ถูกแล้วุรุษทูนนี้ไม่เคยลังแกลงป่านอกจากงานอาชีพการดักจับสัตว์เป็น โดยถูกต้องตามกฎหมายซึ่งบริษัทของแมมพลเองเป็นผู้ถืออภิสิทธิ์อยู่เพื่อนำส่งสวนสตัตว์ต่างประเทศทั่วโลกเขารู้จักป่าในแถบนี้และอื่นๆบดแคบทุกตารางนิ้วสัตว์ใดที่ต้องสิ้นสุดชีวิตไปด้วยน้ำมือของเขาก็ย่อมหมายความถึงว่ า, าสัตว์นั้นๆเป็นสัตว์ร้ายอันตราย และมีประวัติในการกอร่อควนราวีเพื่อมนุษย์หรือประสัตว์เลี้ยงพืชพรรณในไร่ oh. เป็นการกําจัดฆาตกรเพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันภายหลังจากพานทีขึ้นเมืองหมดความสามารถแล้วประสัตว์ทุกชนิดในดงดิบกันดานแถบนี้ก็ดูเหมือนจะรู้จักหน้าจําเกิลเขาได้แทบทุกตัวในฐานะเจ้าป่าอย่างแท้จริงและเป็นที่ยอมรับกันว่าเขาผู้นี้เป็นจอมพรานเพียงผู้เดียวที่สามารถบุกบั่นเข้าไปจนถึงความลี้ลับเบื้องหลังเทือกเขาประสิวะ พร้อมทั้งนำคณะภายใต้ความรับผิดชอบกลับคืนออกมาได้ประวัติในเชิงพานนำทางของเขาดังกล้องบรวงการพานป่ามือมกักุเทศเสี่ยงภัยทั่วโลคถ้าจะมีการกล่าวขวัญกันถึงพานติดตันดับโลกด้วยกันแล้วนำของระพินภพายวันเป็นน้ำหนึ่งในแนวหน้าไม่ด้อยไปกว่าพานผิวขาวในกาลาทวีคนใดเลยทั้งอดีตและในปัจจุบัน ก็สาเหตุ น, นี้แหละที่เบื้องสูงต้องการจะให้เขาผู้นี้รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลคุ้มครอ ง, องป่าระแวกนี้ซึ่งเขาปฏิเสธเสียแล้วอย่างไม่มีใยดีอาพลถอดสายตามองดูบุรุษผู้นั่งนิ่งไปด้วยความคิดบุคลิกเดิมของบุรุษผู้นี้เขาเคยพบเห็นอย่างไรแต่ครั้งแรกเมื่อเริ่มแรกรู้จักและทํางานร่วมกันจนกระทั่งบัดนี้เป็นยังไงก็อย่างนั้นร่างเปรียวกระทัดรัด แปรงเป่งใบหน้าเรียบหลกแก้มสูงจมูกเป็นสันตรงเบ้าตาลึกที่แปงแววสีตาสีน้ำตาลซึ่งเก็บซ่อนความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายใต้อย่างสุดที่จะอ่านได้ผมยาวหยักเป็นคลื่นปลวกคล้ายทอยผิวแดงเกรียมบุกบนเฉียบขาดและทรหดชนิดสุดใจขาดดิ้นแต่พ็สุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนเสมอ ไม่น่าเชื่อเลยในข้อเชื่อว่าอดีตของชายผู้นี้คือนักเรยียนการอาหารจากประเทศเยอรมันเนรอดีนตนายตำรวจตะเวนชายแดนยศร้อยตำ ร, รวจเอกคนที่ผ่านโลกซิวไลขี่สุดมาแล้วแต่กลับมาทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตหมกบู่แต่กลางดงพงไพรทนันหลังให้แก่สังคมของชาวซิวไลซึ่งความจริงโหดร้ายปาดเถื่อนยิ่งกว่าสัตว์ป่าโดยสิ้นเชิงชนิดไม่คิดที่จะหวยกลับไปอีกแล้ววิญ ญ, ญาณของเขา้หมดดัวเหมือนจะกฝากไว้กับป่าดง คงทึกเสียแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงถูกเหมือนกันนะรัฐินและที่สุดท่วมในการเอยขึ้นด้วยเสียงที่เบาลงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมบอกกับคุณมานี่เป็นแต่เพียงการดําริหรือเริ่มวางโครงการเท่านั้นผมก็เห็นกับคุณด้วยเหมือนกันในข้อที่ว่าท่านผู้ใหญ่เหล่านั้นควรจะได้มาเห็นสภาพของป่าดงแถบนี้ดูเสียก่อนที่จะตัดสินใจทํำลายลงไปแต่ถ้าหากจําเป็นจริงๆแล้วท่านเชิญคุณไปพบคุณจะรังเกียจไหม ทานใหญ่าช้าๆพงยิ้มเนือยๆอยู่เช่นเดิมคนอย่างผมเนี่ยไม่มีเกียรติพอร์่จะได้ไดไดรับพบกับรัฐมนตรีหรืออาชิบดีหรอกครับและผมก็ไม่ถนัดใจจะไปด้วยแต่ถ้าหากท่านเหล่านั้นจะมาตรวจราชการที่นี่และมีคำสั่งให้ผมมาพบในระแวกที่ไม่เกินกว่าสถานีกักตัดของคุณที่นี่ผมก็จะมาคุณรูข่าวอะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้างหรื อ, อยังข่าวข่าวอะไรหรือครับ นิตยสารเกี่ยวกับการล่าสัตว์และปืนผาหน้าไม้ในสหราฐประเภท Shooter, Survival, Gun Digest, Gun Land, Ammo, Sport Afield และอีกหลายเล่มในเยอรม น, นีนำเรื่องราวการเป็นพานนำของคุณให้แก่คณะ ข, ของคุณชายเชี่ยวาตีพิมพ์เป็นบทความแพร่กระจายไปทั่วโลกมีรูปภาพของคุณและคณะเดินทางทุกคนรวมทั้งศิชายาชาที่ถูกตามตัวคืนกลับมาได้ด้วยยกเว้น จากนิวยอร์กถามที่เสนอข่าวไปก่อนแล้วตอนที่พวกคุณกลับมาถึงใหม่ๆนพินเบ้ปากนิดหน่อยผมไม่สนใจหรอกครับและไม่เคยอ่านด้วยพร้อมทั้งไม่ต้องการจะอ่านโปรดใจได้จัดหาหนังสือเหล่านั้นมาให้ผมเลยคณะนายแจ๊กของผมเองและคุณนั่นแหละที่ร่วมกันให้ข่าวนี้แก่ผู้สื่อข่าวไปโดยที่ผู้สื่อข่าวเหล่านั้นไม่เคยได้มาพบรู้จักผมเลยผมเกลียดการเป็นข่าวเออเกลร์ที่สุดเพก็สาเหตุนี่แหละที่ผมไม่อยากจะลงไปพบหน้าผู้คนในกรุงเทพ น้ำพ่นถอนใจอย่างอ่อนใจดึงมือชักโต๊ะรับแขกหยิบซองจดหมายจากหน้าเป็นภาษาเกลือประทับตราไปรษณีย์ของคนเนียสากภาพแอฟริกาใต้โ ย, ยนลงไปตรงหน้าเขาประพินเหลือบดูลงดูนิดหนึ่งไม่แตะบ้างแต่ถามว่าออเดอร์สั่งสัตว์หรือครับเบิ ด, ดูเองสิผมไม่สนใจหรอกครับมันเกี่ยวข้องกับตัวคุณนะจะเกี่ยวข้องอย่างไรผมก็ไม่สนใจทั้งนั้นผมสนใจอ ย, อยู่อย่างเดียวขึ้นมาพบคุณที่นี่ก็เพื่อขอเบิกเงินงวดที่ยังค้างอยู่ อีก 30, สาม0 0ื่นเศษจากสัญญาสงสัตว์รวดล่าสุดเรื่องนั้นนะัไม่สำคัญหร อ, อกแเดี๋ยวผมจะเซ็นเช็คใจใ่ายคุณเองคุณไม่อ่านจดหมายฉบับนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ให้ผมบอกให้ฟังข้าวเ้าได้ไหมก็ดีเหมือนกันคนดงอย่างผมอ่านหนังสือไม่ค่อยจะออกนามคนมองเขาอย่างคอมเมนต์คอมเมนต์สมาคมคุ้นครองสัตว์ป่าแห่งโลกและสมาคมไวพเต ทางสหภาพอฟริกาขอเชิญคุณเป็นแขกผู้มีเกียรติร่วมสนทนาเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่าที่คีเนียและให้คุณไปศึกษาชีวิตสัตว์ป่าในอฟริกาด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดทังสมาคมทั้งสองจะเป็นผู้ออกให้แก่คุณถ้าตกลงว่าเตรียมตัวเดินทางได้แล้วกำหนดสนทนากันวันที่15เดือนหน้าผมแถมพ็อกเก็ตมันนี่ให้คุณอีกามื่นบาท รัินไทรวันตอบหน้าตาเฉยว่าช่วยตอบก็ไปทีแตครับว่าผมขอสละสิทธิ์และถ้าไม่ขัดข้องอะไรคุณอำมพลก็ควรจะเป็นแดนผมในฐานะที่เป็นผู้ค้าสั์หรือส่งสั์แรกเกรดกับพวกเขาอยู่แล้วทำไมน้าละพินทำไมคุณถึงไปควรสมระตนเกินไปแบบนี้นันพลร้องขึ้นอย่างขัดใจผมถือคติว่าหัวใจที่สันโดย่อมมีความสมเสมอ แล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็พูดภาษาชาวเขาเสียจนผูดภาษาคนผิวขาวไม่ค่อยจะเป็นแล้ว้าคม้าก็ใช้ผูกคอแทนเน็กไทมานานเสียจนผูกเน็กไทไม่เป็นแล้วเวลานี้ผมก็รู้สึกคันๆทุกครั้งที่ต้องผูกมันโปวดยาวุ่นวายอะไรกับผมเลยนอกจากงานในหน้าที่ผมแล้วและผมขอขอบคุณที่คุณหวังดีกับผมแล้วก็เหลือตากลับมองหน้าในแจ้งเว้นไปนิดหนึ่งถามต่อมาว่า เรื่องนี้เท่านั้นเองหรือครับที่คุณสั่งให้คนไปตามผมขึ้นมาบอกว่าเป็นข่าวด่วนนี่นะ่ะมันเป็นเพียงสะเก็ดของขาวด่วนเท่านั้นเองตัวได้ข่ด่วนจริงๆนะ่ะผมต้องให้คนลงไปตามคุณมาจากฝาก็คือผู้อำนวยการบริษัทไทยไวไลฟ์ Life, ลุกินยืนไถ่มือไปยังห้องทํางานอันโอ้อาของเขาซึ่งขณะนี้บางตาปิดอยู่มีคนสําคัญคนหนึ่งรอพบคุณอยู่ในนั้นเชิญครับตุลพินพร้อมกับกลั่นสีสันให้นิดหนึ่ง ยอพรานมองไปทางห้องนั้นคิ้วขมวดย่น น, น้อยคนสําคัญเขาทวนคํำเบาๆสาคัญเสียจนผมจะต้องเข้าไปพบทีเดียวหรือผมคิดว่าสําคัญถึงขนาดนั้นทีเดียวแหละอย่างน้อยก็นึกว่าเห็นแก่ผมก็แล้วกันทรานใหญ่ผู้บกเชือกเขาพัศิว่ามาแล้วลุกขึ้นยืนอย่างเหนื่อยชามองหน้านายพลดอดิษฐนิดนึงแล้วก็เดินตรงไปยังหน้าห้องนั้นนิ่งไปอีกช่วงอึดก็พักบางตาเข้าไปอย่างเงียบ ชายคนหนึ่งกำลังยืนหันหลังให้กับทางเข้าหันหน้าออกไปทางหน้าตามลักษณะทอดอารมณ์แขนทั้งสองประสานกันกอดไว้ที่อกผมดำสนิทเครียรไหลเสื้อโปโลสีเข้มแขนสั้นเผยให้เห็นผิวของดำแขนเป็นสีชมพูแ ป, ปลงๆกางเกงเป็นแฟนชั่นล่าสุดยางจุลอบขา ย, ยาวสีตัดกับเสื้อเอวขีวสะโพกกลมร่างอวบค่อนข้า ง, งสูงกระพินช ง, งักคิ้วขมวดย่นจ้องด้านหลัง รานั้นยืนนิ่งเฉยอยู่ใจใหญ่ก็ค่อยๆหันกลับมาช้าช้าตาเป็นประกายดำคับแต่สีหน้าเรียบเฉยปกติพูดเบาๆ ว, ว่าดิฉันชื่อหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราเดชคุณเป็นใครกันคะแต่พินไลยวันตกตะลุงลืมหายใจไปชั่วขณะ